พระบัญญัติ658ก็ภิกษุใดรู้อยู่น้อมลาดที่เขาน้อมไว้เป็นของเจถวายสรงมาเพื่อตนต้องอา บ, บัตินิสสีิยปาจิตตีเรื่องพระชัพพกีจบ